บรรดาพราหมร้อยปดนั้นท่านบอกว่าพราหมบัณฑิตมีอยู่แ8ดท่านด้วยกันมีรา ม, มาพราหมเป็นต้นเป็นผู้ ต, ตรวจทานายพรลักษณะเนี่ยนะถ้าหากว่าต้องเอามาทั้งร้อยแปดมานั่งตรวจกันไม่ไหวใช่ไหมเมื่อไรจะเสร็จมันเอาแค่แดท่านก็พอบรรดาพราหมแปดท่านเนี่ยนะเป็นบัณฑิตทั้ง8ดท่านนั้นก็คือทั้งอะไรรา ม, มาพราหมเป็นต้นชูสองนิ้วพยากรณ์เป็นสองส่วนว่า ผู้ที่ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32เมื่อครองคารวาสวิสัยจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเขาถือว่าชี้สองนิ้วเลยหมยายความว่ายังไงก็ก็ดีแบบนั้นเถอะถ้าครองเรือนเป็นจกักรพรรดิถ้าออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าเอาตกลงท่านจะบวชหรือจะครองเรือนไม่รู้ว่ามีสองอย่างเนี่ยถ้าครองเรือนก็เป็นจกักรพรรดิถ้าออกบวชเป็นพระพุทธเจ้า แต่คิดแบบพระเจ้าสุดโทธนะเนี่ยนะใจจริงๆท่านฟังปั๊บเนี่ยท่านคิดบอกว่าน่าจะเป็นจักรพรรดินะถ้าจะออกบวชก็บวชตอนหลังแล้วก็ได้นะเป็นจักรพรรดิก่อนอะไรกันนะพ่อก็คิดแบบพ่อที่นี้มีพราหมณ์คนหนึ่งโดยโคต ช, ชื่อว่าโกนธัญญโคตเป็นหนุ่มกว่าเขาทั้งหมดเห็นพระวรลักษณะเรียกว่าลักษณะอันประเสริฐของพระโพ ธ, ธิสัตว์ยกนิ้วขึ้นนิ้วเดียวเท่านั้นพยากรณ์ส่วนเดียวว่า ท่านผู้นี้ไม่มีเหตุแห่งการอยู่ครองเรือนอ น, นะถ้าคนที่จะเป็นจักรพรรดิเนี่ยจะต้องมีความแตกต่างกว่านี้แต่ตามลักษณะนี้บวชอย่างเดียวเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเป็นผู้มีหลังคาอันเปิดแล้วเรียกว่าละกิเลสโดยส่วนเดียวเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนคนที่หวั่นไหวในงานนี้ที่สุดก็คือพระเจ้าสุโทโธทนะเนี่ยนะลำบากใจมากเลยนะเพราะไม่ต้องการให้ลูกนี่ เป็นอย่างอื่นนะั้นต้องการให้เป็นจกักรพรรดิพันตั้งนั้นก็โอ้โหเลี้ยงดูอย่างดีเลยนะกลัวเรียกว่าวิธีการเลี้ยงดูให้ดีเดี๋ยวลูกเรากลัวจะไปจะไปไม่บวชหรอกเดี๋ยวกลัวจะลําบากใช่ไหมต้องเลี้ยงให้ท่านอยู่อย่างมีความสุขท่านจะได้น้อมไปเพื่อครองเรือนจะได้ยังไงก็ไม่ออกบวชพันพระเจ้าสุดโททนะก็เลยเลี้ยงดูแต่ท่านก็หว่นใจลึกๆนะว่า อาจจะออกบวชก็ได้เพราะว่ากาลเทวินก็บอกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพราหมคนนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้เก่งหนุ่มก็จริงแต่เก่งกว่าเพื่อนเขาบอกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าอีกเจท่านนี้ก็ 50-50 เอาเหอะเราจะลองดูเพราะนะบอกว่าคําพยากรณ์ของพวกพราหมณ์ต้องผิดเราคิดอย่างนี้นะพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยตั้งไว้ในใจแล้วว่าผู้ที่พยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ า, าต้องผิดเพราะท่านจะต้องครองเรือนนะท่านคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นการอารักขาการดารงดูแลนี่จึงดีมาก ย้อนกลับมาถึงพวกพรามเนี่ยนะที่พยากรณ์พระโพธิสัตว์บอกว่าสิทธะสิทธะนี่แปลว่าสิทธะสิทธะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าความสาเร็จอัฏฐะแปลว่าประโยชน์เพราะพระองค์เนี่ยทำความสำเร็จคือทำประโยชน์ให้แก่โลกทั้งปวงเป็นผู้ที่ให้ความสำเร็จประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งปวงอันนี้คือความหมายของสิทธะเนี่ยนะสิทธะก็ได้ สิทธิกิจจังก็คือความสำเร็จกิจเป็นต้นนะอัฏฐาก็เนื้อความหรือประโยชน์เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาเพื่อให้ประโยชน์ให้ความสุขให้ความสำเร็จแก่ชาวโลกทั้งปวงครั้งนั้นพราหมณ์เหล่านั้นกลับไปถึงบ้านเรือนของตนฝ่ายพราหมณ์เนี่ยหลังจากพยากรชี้เป็น2 ส, ส่วนเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับไปเรือนเรียกลูกลูกมาพูดสั่งอย่างนี้ว่า พ่อแก่แม่เท่าจะได้อยู่ชมพระโอรสพระพุทธเจ้าสุดโททนะบนรรลุพระสัพพัญยุตยานหรือไม่ได้ชมก็ได้เ น, ใ น, ในี่ยนะคือคือพรามทั้งเจคนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าบัตรนี้เรานี้แก่แล้วคุยกันเลยนบัตรนี้เนี่เราแก่กันแล้วไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้พบเห็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะจะได้พบเห็นพระเจ้าสุดโททนะเออเข้าไป จะได้เห็นโอรสของพระเจ้าสุดโททนะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่านาะแต่เมื่อพระโอรสพระองค์นั้นผนวดแล้วบรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วลูกๆ ก, ก็จงบวชในสำนักหรือบวชในพระาศาสนาของพระองค์นะคือพรามแปดทั้งหมดเขามีแปดคนใช่ไหมคนเดียวเท่านั้นแหละที่พยากรว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าอีกสองคนเนี่ยชูเป็นสองนิ้วแต่อีคนที่ชูสองนิ้วเนี่ยนะ พอกลับบ้านจริงๆเชื่อว่าบอกบวชมันก็สั่งเสียลูกไว้เลยสั่งเสียลูกสั่งเสียหลานไว้เลยบอกลูกเอ้ยหลานเอ้ยถ้าหากว่าพ่อเนี่ยอาจจะอายุไม่ยืนอยู่ไม่ทันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านออกบวชกันเมื่อไหร่บวชตามเลยนะท่านยังไงท่านเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนพราม์บัณฑิตเจท่านอยู่จนตลอดอาชีวิตตลอดชีวิตก็ไปตามกรรมส่วนโกนธัญญามานพเป็นผู้ไม่มีโรคะนะพ่อจังเป็นพราหมณหนุ่มที่เก่งมากเลยนะ ไม่รู้ตอนนั้นอายุถึง20หรือรังไม่ทราบนะั่นนะพระราชาหลังจากที่ฟังคําของพรามบัณฑิตเหล่านั้นก็ตรัสถามว่าลูกของเราจะเห็นอะไรจึงกระบวตคือสงสัยเหมือนกันว่าเหตุที่ทําให้ลูกเราบวชคืออะไรพราหมณ์เหล่านั้นก็ทูลว่าข้าแต่เทวะพระองค์จะเห็นบุพภนิมิตสอย่างพระเจ้าค่านิมิตสี่อย่างคืออะไรก็คือคนแก่คนเจ็บแล้วก็คนตายนักบวชถ้าเห็นเทวทูตสี่เห็นนิมิตสเนี่ย ท่านออกบวชแน่นอนก็เลยสั่งเลยควบคุมพิเศษว่าจะต้องไม่บวชเนี่ยนะว่าตั้งแต่บัดนี้ไปพวกเจ้าอย่าให้คนแก่คนเจ็บนักบวชมาใกล้ลูกเรานะแล้วก็ตั้งกองรักษาการระยะทุกประมาณอาขาวุธหนึ่งหนึ่งทั้งสีทิศก็ในระยะรัศมีประมาณหนึ่งขาอขาวุธเป็นหนึ่งยก็ประมาณรัศมี4ี่กิโลเมตรเนี่ยนะ ในรัศมีสี่กิโลเมตรเนี่ยห้ามให้คนแก่มาเดินเพียนท่านอยู่แถวนั้นเหมือ น, นห้ามให้คนแก่แต่ก็กัรนึกว่าพระ อ, องค์ไม่แก่หรือไงไม่ทราบอ่ะนะแต่บอกห้ามคนแก่ไปเยี่ยมลูกเราเหมือนนห้ามคนแก่ห้ามคนป่วยเพราะถ้าใครป่วยรีบส่งออกเลยไม่ต้องให้อยู่ที่นั่นนะนะที่นั่นไม่ใช่โรงพยาบาล น, นอนรักษาไข้ อ, ออกไว้ให้หมดเลยแล้วก็พระภิกษุนักบวชฤๅษีทั้งหลายไม่ต้องให้ไปอยู่แถวนั้นหรอกเพราะเดี๋ยวลูกเราจะบวชนะครับ ท่านบอกว่าวันนั้นพระประยุรญาตประมาณ8ปดหมนตระกูลก็ประชุมกันในมงคลสถานพระญาติแต่ละพระองค์ก็ทูลปฏิญญาถวายโอรสแต่ละพระองค์ว่ากุมา น, นี้เนี่ยนะท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นพระราชาก็ตามพวกเราจะถวายโอรสแต่ละองค์คือหมายคือว่าจะต้องมีกษัตริย์เป็นบริวารคือถ้าพระกุมารจากเป็นพระพุทธเจา้าสายพระองค์ก็จะมีขัตติยะสมณะ คอยแวดล้อมจาริกไปจะต้องมีกนักบวชที่เป็นวันะกษัตริย์ด้วยกันเนี่ยห้อมล้อมพระพุทธเจ้าไปถ้าพระองค์จกเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะต้องมีขัติยกุมารคอยแวดล้อมตามเสด็จไปเนี่ยนะก็คือสรุปว่าจะต้องเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีกษัตริย์เป็นบริวารมันคนใกล้ชิดจะต้องอยู่ในระดับวรณะกษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยนะ ก็คือพวกพญาทั้งหลายเขาก็ห่วงนะเพราะพวกนี้เนี่ยเรื่องเรื่องสักยะวงเนี่ยนะถือว่าเป็นวงที่มีมา n ะลําพองมากที่สุดเนี่ยนะในเรื่องชาติตระกูลเนี่ยเขาถือว่าเขาเนี่ยสุดยอดไหวคนอื่นไม่เป็นเลยเนี่ยนะไหวไม่ได้เด็ดขาดเว้นไว้แต่ไหวอาจารย์เท่านั้นเองพระราชาก็พระราชทานพี่เลี้ยงนางนมนี่หกสนางผู้ปราศจากโทษทุกอย่างหมายว่าไม่สูงเกินไปไม่ต่าเกินไปไม่ดําเกินไปไม่ขาวเกินไปเนะี่ยแปลว่าหาคนที่ สมส่วนด้วยรูปสมบัติทุกอย่างแด่พระมหาบุรุษพระองค์ก็เจริญวัยด้วยบริวารไม่มีที่สุดด้วยสิริสมุทัยอย่างใหญ่หมายก็ว่าพระองค์นี่สร้างเหตุเนี่ยนะที่จะให้บุญมาคอยแวดล้อมติดตามอุปธรรมบำรุงพระโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์ทําบุญมามากเพราะฉะนั้นด้วยอนุภาพแห่งบุญทําให้มีผู้ติดตามแวดล้อมพระองค์เนี่ยนะทีนี้วันหนึ่งวันนั้นตอนนั้นพระองค์มีอายุพระชนมายุเท่าไหร่7ปีใช่ไหม เป็นวันพิธีเพื่อวัปปะมงคลเรียกว่าวันมงคลแรกนาขันเนี่ยนะวันนั้นพระราชาเสด็จออกจากพระนครโดยเสริฐสง่ายิ่งใหญ่ด้วยราชบริพารกลมใหญ่พระองค์ก็พาพระโอรสเสด็จไปด้วยณนะที่กสิกรรมเพราะกษัตริย์นี้ถือว่าเป็นหัวหน้าแห่งการทำไร้ไถนานเนี่ยนะไปถึงต้นว่าต้นหนึ่ง มีเงาทึบร่มเย็นหน้าเรื่นลมอย่างยิ่งพ ร, พระราชาก็ให้ปูที่บรรทมพระสำหรับพระกุมารภายใต้ต้นว่าตนนั้นผูกเพดานด้วยผ้าแดงประดับด้วยดาวทองกั้นม่านตั้งกองรักษาการพระราชาก็ประดับเครื่องอลังการทุกอย่างอันมูอมาดแวดล้อมก็เสด็จไปเพื่อจดผ้าหนังขันก็คือไถนาในที่กสิกรรมเรียกว่าพระราชานี่เป็นหัวหน้าในการทํานาเนี่ยนะ พระราชาก็ถือพระนางขันทองอันเป็นมงคลอย่างยิ่งพวกอมาตะก็ถือหางไถเงินเป็นต้นวันนั้นเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางขันพันหนึ่งต้องเอาทั้งอมาตะไถนาเป็นพันเลยนะนะก็เก่งเหมือนกันนะดูแลวัวควายให้ปันชนกันได้นี่ก็เก่งมากกันะถ้าเป็นพันๆเนี่ยไม่ใช่จะดูแลง่ายนะถ้าใครที่เคยเอาระเห็นโคกระบือเยอะๆเนี่ยที่มันไม่ค่อยทะเลาะกันเนี่ยโอ้ดูแลกันยกใหญ่เหมือนกันนะ ท่านก็เก่งนะท่านก็ดูแลได้วัวควายได้เป็นพันเนี่ยนะโดยที่ไม่กระทบกระทั่งกันนะส่วนพระพี่เลี้ยงนางนมก็นั่งแวดแล้อมพระโพธิสัตว์คิดดูว่าจักดูปกติพวกที่พี่เลี้ยงนางนมะนะคนที่ดูแลพระโพธิสัตว์ปกติจะดูแลดีมากแต่วันนั้นอยากจะเห็นว่าเออเขาไถานาเขาทํากันยังไงนะพระราชาทํามงคลแรกนาควัญวับปะมงคลนเนี่ยพระองค์ทำยังไงนาะพระโพธิสัตว์ก็ก็พากันออกไปดูกันหมดนะ พระโพธิสัตร์ก็นั่งอยู่คนเดียวดูข้างโน้นดูข้างนี้ไม่เห็นใครก็ลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เมื่อหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็รู้ชัดว่าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอ น, นะจิตก็ค่อยๆสงบจากนิวรณ์ไปเรื่อยๆนิมิตแห่งลมหายใจก็ปรากฏชัด น, นะจิตก็สงบจากวิตกสงบจาก นิวรเนี่ยนะที่ทำจิตให้ทุรพลมันข่มนิวรด้วยปฐมฌานเพราะฉะนั้นก็ข่มนิวร์ไปเรื่อยๆก็คุณธรรมคือปฐมฌานก็เกิดโดยลําดับพวกพี่เลี้ยงนางนมเนี่ยนะก็เตรไปในระหว่างอาหารเพราะฉะนั้นพอไปเที่ยวไปเพลินเนยลืมเลยว่าตัวเองเนี่ยดูแลพระโพธิสัตว์ก็เที่ยวทานอาหารพูดคุยกันไปเรื่อ ย, อยนะชักช้าอยู่เล็กน้อยไม่กี่ชั่วโมงมั้งเนาะ เงาของต้นไม้อื่นๆก็คล้อยกลับไปแต่เงาของต้นว่าต้นนั้นก็ยังเป็นปริมนทลตั้งอยู่ในที่นั้นนั่นเองฝ่ายพระพี่เลี้ยงนางนมของพระโพธิสัตว์นั้นคิดว่าพระลูกเจ้าอยู่ลำพังจึงรีบยกม่านขึ้นไปหาสายแดดเนี่ยจะทำให้ท่านร้อนหมดก็เห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งขัดสมาธิอยู่บนที่บรรทมแล้วก็เห็นปาฏิหารคือเงาว่าก็ไม่ได้คล้อยตามไปเลยก็กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระราชา พระราชาก็รีบเสด็จมาพระองค์เห็นปาฏิหาริย์นั้นแล้วก็ไหว้พระโอรสพระองค์ก็ตรัสว่าลูกพ่อเอ้ยอะไรวพ่อเนี่ยขอไห้ลูกเป็นหนที่สองนะว่างั้นนะโอ้เห็นแนละอัศาจรรย์ว่างั้นนะขอไหว้ลูกกันละกันปกติก็มีแต่ลูกไหว้พ่อนพ่อขอไหว้ลูกนะลูกนี้พิเศษจริงๆว่งางั้นนะนะเรียกว่าขนาดพ่ อ, อยังไหว้เลยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นนะ ตอนหนึ่งพระมหาบุรุษมีพรนสา16พรนสาก็คือวัยหนุ่ม16ปีเนี่ยนะพร ะ, พระองค์ก็ตรัสให้สร้างปร า, าสาทสหลังชื่อว่ารัมมะสุรัมมะและสุพระเป็นปร า, าสาทเก้ชั้นหลังที่หนึ่งเชั้นหลังที่สองก็7ชั้นอีกหลังหนึ่งก็5ชั้นซึ่งเหมาะแก่3ฤดูแก่พระโพธิสัตว์ปร า, าสาททั้งสหลังนั้นโดยสูงเท่ากันขนาดเท่ากันแต่หลังชั้นเนี่ยแตกต่างกันบาง สูงเนี่ยบางบางปร า, าสาทก็นั่นแหละ5ชั้น7ชั้น9ชั้นตามลาดับคือพระองค์ดําริว่าลูกของเราเจริญแล้วจำเราจะได้ยกสเสวตชัติให้แก่ลูกเราก็จะได้เห็นสิริราชสมบัติแม้อยากเห็นลูกครองราชสมบัติจริงๆคือคือเป็นความใฝ่ฝันของพ่อที่รักลูกนะว่าอยากเห็นลูกเนี่ยเจริญถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ยิ่งดีล้าหน้าพ่อก็ไม่เป็นไรขอให้ลูกเจริญ นั้นผู้ที่รักลูกมากจริงๆก็ประสงค์จะให้ลูกเนี่ยได้รับความสุขความเจริญจะยิ่งกว่าตัวยิ่งยินดีเหมือนกันหลังจากนั้นเท้าเธอก็ส่งสารแก่เจ้าสกยะทั้งหลายว่าบัดนี้ลูกของเราเจริญเป็นหนุ่มแล้วเราจักสถาปนา ล, ลูกของเราไว้ในเซเรราชสมบัติเจ้าสกยะทุกพระองค์จงส่งธาริกาที่เจริญวัยแล้วในเรือนของตนมาสู่เรือนนี้แม่บอกเราจะยกตําแหน่งให้เป็นพระราชาแล้วนะ ใครมีลูกสาวก็ส่งมาแล้วกันนะหาคำสั่งนี่สั่งไม่ง่ายเหลือเกินนะเจ้าสักยะเหล่านั้นฟังสารของพระราชาก็กล่าวกันว่ากล่าวตำหนินะดูหมิ่นว่าพระกุมารเนี่ยงามแต่รูปอย่างเดียวไม่เห็นรู้ศิลปะอะไรอะไรเลยไม่อาจที่จะทำการเลี้ยงภริยาได้เมียโอเนี่ยจะให้ส่งมันไปเยอะแยะเลยเนี่ยจะไปเลี้ยงกันไหวหรือแังนั้นเพราะนั้พวกเราจับไม่ให้ที่ดาของเราก็งามแต่รูปเฉยๆอะไรก็ไม่เป็นเลย ที่จริงแล้วพระโ พ, พธิสัตว์เนี่ยนะท่านเรียนวิชาจากครูศัพท์ภาษามิตรก็เป็นเป็นพรามที่เก่งมากเลยนะซึ่งพระโพธิสัตว์ก็เรียนจบในวิชาเหล่านั้นในยุคนั้นทั้งหมดนะแต่ว่าท่านก็เรียนลับๆนะไม่ได้เปิดเผยอะไรหลังจากนั้นพระราชาก็ฟังเรื่องนั้นก็เข้าไปหาโอรสบอกเรื่องนั้นพระโพธิสัตว์ก็ทูลถามว่าควรจะแสดงศิลปะอะไร พระราชาบอกลูกเอ้ยควรจะใช้วิชากําลังบุตรหนึ่งพันคนเนี่ยยกธนูขึ้นเรียกว่าสหธรรมะธนูสหัสแปล ว, ว่าพันธรรมะแปล ว, ว่ากําลังธนูที่ต้องใช้เรี่ยวแรงของคนเนี่ยเป็นพันคนยกขึ้นพระโพธิสัตว์ก็บอกท่าอย่างนั้นโปรดให้นําธนูมาพระราชาก็ให้นําธนูมาพระราชทานบุรุษที่ยกธนูนั้นใช้พันพคนเนี่ยยกธนูนั้นขึ้นบรุรตรพันคนนั่นแหละยกลง พระมหาบรุษก็ให้นำธนูนั้นมาแล้วประทับนั่งคล้องหัวสนูที่นิ้วพระบาทโน้มดึงธนูด้วยนิ้วแม่พระบาทนั่นแหละทรงถือคันธนูด้วยพระหัตถ์ซ้ายแล้วก็ขึ้นสายธนูด้วยพระหัตถ์ขวาทั่วพระนครก็ถึงอาการดังเสียงดังเนี่ยกึกก้องขึ้นเมื่อถามว่านั่นเสียงอะไรก็ตอบว่า เมฆฝนคำรามดังสนัน่นเขาเรียกว่าดีดดีดคันธนูเนี่ยมันจะดังตึงตึงตึงเนี่ยนะแต่นี่ไม่เข้าใจเอ๊ะมันเสียงอะไรอฟ้าคำรามหรือเปล่าเสียงมันดังมากเลยคนอื่นๆก็บอกว่าท่านไม่รู้หรอกไม่ใช่เมฆคำรามหรอกเมื่อพระกุมารอังคีรศัะทรงใช้วิชากําลังบุรุษพันคนยกธนูขึ้นทรงดีดสายธนูนั่นเสียงดีดสายธนูดอกนะเจ้าสักยะทั้งหลายฟังเรื่องนั้นแล้วก็มีจิต ก็คึกก้ดีใจกันมากเลยนะโหเก่งขนาดนี้เลยนะเพราะสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกษัตริย์เป็นวันนักรบเนี่ยนะมันพอพูดถึงนักรบยกธนูขึ้นดีดนี่แหมถือว่ากษัตริย์ด้วยกันในกลุ่มนักรบทั้งหลายเนี่ยดีใจมากเลยพระมหาบุรุษ ก, ก็ตรัสต่อไปว่าเออแล้วจะทํำยังไงต่อไปพระราชาก็บอกให้เอาลูกธนูเนี่ยยิงแผ่นเหล็กหนา8ดนิ้วนะเพราะพระโ พ, พธิสัตว์ก็ยิงทะลุแผ่นเหล็กนั้นแล้ว ก็เหล็กหนา8ดนิ้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะยิงทะลุง่ายๆนะพระโพธิสัตย์ยิงทะลุได้อะบอกทำยังไงต่อไปให้ยิง أ, ทะลุกระดานไม้ประดู่เรียกว่าหนาสี่นิ้ว أ, ไม้ประดู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะยิงทะลุ ง, Dial ง่ายๆก็ให้พระโพธิสัตว์ยิงพระโพธิสัตย์ก็ยิงทะลุแผ่นไม้ประดู่นั้นแล้วก็ถต่ว่าจะต้องทํำยังไงต่อบอกลูกควรจะยิงแผ่นกระดานไม้มาเดือหนาคืบหนึ่งไอ้ไม้มาเดือดนี่มันก็เหมือนกับว่ายิงดินเหนียวอะนะเหมือนกับแปะอยู่ตรงนั้นแหละ พระโพธิสัตว์ก็ยิงทะลุอีกบอกทำไงต่อให้ยิงเกวียนบรรทุกทรายพอยิงทะลุทรายได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะมาให้ยิงทะลุทรายพระโพธิสัตว์ก็ยิงเกวียนทะลุทรายทะลุฟางทะลุไม้เรียบแล้วก็ยิงลูกธนูไปในน้ําได้ประมาณอุสภะหนึ่งยิงบนบกได้ประมาณ8ดอุสภะนั่นครั้งนั้นเจ้าสักยะทั้งหลายก็ตรัสกับพระโพธิสัตว์ว่าควรจะยิงขนทรายที่หมายไว้ที่ผลมะอึก มหมายความว่าแหมยิงยิงเรื่องภับะกําลังเรื่องไกลเรื่องไวเรื่องอะไรยอมรับแ ล, ล้วแหะแต่ต้องการจะดูความแม่นยาำมาแม่นยําขนาดไหนอยางนี้ละกันเอาขนสัตว์ชนิดหนึ่งไปวางเอาไว้แล้วก็มือก็ขึงขึงเอาไว้เฉยเฉแล้วบอกถ้ายิงยิงตัดไอ้ไขนทายนั้นได้ก็ถือว่าใช้ได้อย่างนั้นพระโพธิสัตว์บอกงั้นท่านจงผูกผลมาอึกแล้วไกลไประมาณโยอดหนึ่งถามว่ารัศมีที่ยิงแม่นเนี่ยจะต้องความแม่นเนี่ยอยู่ในร ะ, ระยะทางเท่าไหร่ ประมาณ16กิโลเมตรประมาณต้องแม่นยำขนาดนั้นนะแล้วก็ให้ผูกขนสายที่หมายไว้ที่ผลมะอึกไกลประมาณโยอหนึ่งแล้วก็ยิงลูกธนูไปในทิศ ท, ที่ปิดด้วยเมฆ น, นะด้วยในความมืดแห่งราตรีแล้วต้องมืดด้วยนะรู้นะว่าตำแหน่งที่ยิงอะมันอยู่ตรงไหนต้องยิงตอนกลางคืนที่เมฆมีเมฆตลอดแล้วให้ยิงตรงนั้นแหละลูกธนูนั้นก็ผ่าขนสายไกลประมาณโยอหนึ่งแล้วก็ไปสู่แผ่นดิน ไม่ใช่เพียงเท่านั้นอย่างเดียวพระมหาบุุษแสดงศิละปะที่ใช้กันอยู่ในโลกทุกดังคือวิธีของนั ก, กรบทั้งหลายเนี่ยนะวิธีการทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะมีอยู่เท่าไหร่พระองค์ก็แสดงทั้งหมดเจ้าสักยะทั้งหลายก็เลยประดับที่ดาของตนส่งไปเพราะฉะนั้นจึงมีสตรีประมาณสี่หมื่นนางเป็นสนมนักฟ้อนรําน่นะโอไม่แสดงขนาดนี้เขาไม่ยกลูกสาวให้เขากลัวไม่เลี้ยงลูกสาวเขาไม่รอดนะกน สำหรับพ ร, พระเทวีมารดาของพระนุได้เป็นอัคราเหสีพระมหาบุรุษอันสตรีรุ่นจำเริญแห่งมนุษย์แวดล้อมแล้วเหมือนเทวกุมารเรียกว่าเหมือนกุมารหนุ่มนะ เ, เหมือนเทวกุมาก็คือเทวดาอันสตรีรุ่นจำเริญแห่งเทวดาแวดล้อมแล้วฉะนั้นอันดนตรีที่ไร้บุรุษบำเรออยู่สเสวยมหาสมบัติประทับอยู่ณปราศาสตรสามหลังเปลี่ยนไปตามฤดู ปันวันก็โอ้ดีดสีตีเป่าเราฟังเพลงบังก็ดูการร่ายรำเขาบอกว่าถามว่าทําไมในพระราชวังจึงเน้นเรื่องดนตรีเนี่ยมากอันนในในวังทั้งหลายจึงให้มีเสียงดนตรีมีอะไรเนี่ยมากก็คือบอกว่าต้องการไม่ให้ใจของผู้ที่เป็นใหญ่หรือพระราชาเนี่ยหมกมุ่นในเรื่องกามเกินไปเพราะถ้าหมกมุ่นในเรื่องกามนั้นเป็นเหตุให้อายุสั้นเป็นเหตุให้โรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นตามมาเพราะฉะนั้น วิธีเปลี่ยนความคิดทํำยังไงก็คือให้ไปฟังดนตรีแทนไปฟังร้องรําทําเพลงดีดสีตีเป่าก็ได้ที่จะได้ไม่หมกมุ่นในเรื่องอัอกขุนวิตกบางประเภทที่เป็นที่ตัง้งแรงแห่งความรังเกียจเป็นที่ตั้งแห่งโรคภัยไข้เจ็บก็เลยเป็นที่มาของอาการต้องมีดนตรีคอยขับกล่อมขัดเกลาให้จิตใจเนี่ยเบาละเอียดอ่อนโยนบ้างะนะ พ, นพระโพธิสัตว์ก็เลย อยู่ในปร า, าสาทแล้วก็สา3หลังสฤดูก็เวียนเปลี่ยนกันไปนะต่อมาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์มีพระประสงค์จะเสด็จไปยังภาค พ, พื้นที่พระอุทยานนะอยากจะไปแม้ว่าอยากไปเที่ยวอุทยานเที่ยวสวนนะก็เรียกสารธีมาแล้วตรัสสั่งว่าจงเทียมรถเอาไว้เราจะชมสวนสารธีนั้นก็รับพระดำรัสแล้วพระองค์ก็ประดับรถอันเป็นพาหนะที่สมควรที่ยิ่งใหญ่ มีทูปและสายรัดอันงามมั่นคงมีกรงและดุมที่มั่นคงมีงอนและน้าประดับด้วยทองและเงินแก้วมณีข้างกร ง, ง, งเนี่ยข้างกงเนี่ยประดับด้วยดวงดาวทองและดวงดาวเงินมีสิสางาด้วยพวงดอกไม้มีกลิ่นหอมชนิดต่างๆที่การรวมกันไว้เป็นที่น่าดูเสมือนรถทิพย์ก็เหมือนรถเทวดาเทียมด้วยมงคลสินทพม้าอาชาในายอยู่สี่ตัว ที่เป็นม้าอาชาในฝีเท้าดังพยาครุดในอากาศเรียกว่าแต่ละตัวนี่โอ้เป็นมาที่ว่องไวมากมีสีเหมือนดวงจันทร์และดอกกุมมุดแปลว่าม้าขาวทูลให้พระโพธิสัตว์ทรงทราบ พ, พระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นรถพระที่นั่งคันนั้นเนี่ยนะใช้ม้าสี่เชือกอะนะม้าเออม้าสี่ตัวเนี่ยมาเรียกว่าขึ้นรถนิ่มขึ้นรถเหมือนเทพวิมานเสด็จบ่ายพระภาคไปสู่ทยานครั้งนั้นเทวดาทั้งหลายก็ดมริว่า ใกล้เวลาตรัสรู้ของพระสิทธะกุมารแล้วนี่นะใกล้จะต้องใกล้จะรู้ความจริงแล้วตอนนี้ชีวิตมันเหมือนกับพ่ปกปิดนะนะถูกบำรุงบำเรอก็เหมือนกับปิดตาด้วยอารมณ์ที่น่าปรารถนาะปิดหูด้วยอารมณ์ที่น่าปรารถนาะปิดจมูกปิดไม่ให้ท่านรับทราบเรื่องอื่นเลยเนะถูกให้บำรุงบำเรอเพลิดเพลินชีวิตอยู่ด้วยความเพลิดเพลินเน่ยนะเพราะฉะนั้นบัตรนี้ที่จะต้องประกาศความจริงให้พระโพ ธ, ธิสัตว์เห็นแล้ว ท่านจะได้ตรัสรู้ก็เลยแสดงเป็นเทพบุตรองค์หนึ่งนะจริงๆก็เทพบุตรองค์หนึ่งนี่แหละมาแสดงเป็นผู้ที่มีสรีระเนี่ยคร่ำคร่าเพราะชราฟันก็หักผมก็งอกนะดีในสมัยนี้เนี่ยนะมีฟันปลอมก็ใส่กันเยอะไม่งั้นก็จะเห็นแล้วแหละเมือนกนฟันก็หักผมก็งอกตัวก็ค้อมลงแล้วก็สั่นเรียกเลยนะสัน่ๆๆๆๆนกั๊งกั๊ั๊นแหละพระโพธิสัตว์และสารถีต่างก็เห็นคนแก่นั้นจากนั้น พระโพธิสัตว์ก็ตรัสถามโดยในที่มาในมหาประทานสูตรว่าดูก่อนสารถีบุรุษนั้นอนะชื่ออะไรเขาเรียกอะไรกันแม้แต่ผมของเขาก็ไม่เหมือนคนอื่นก็เกิดมาเห็นแต่คนหนุ่มคนสาวนี่นะเอ๊ะคนนี้เขาเรียกอะไรกันเนี่ยคนอะไรเนี่ยครั้งนั้นคนประหลาดหรือเปล่ามาจากจักรวาลอื่นหรือเปล่ามาจากอะไรหรือเปล่าเงี้ยกรสารถีก็เล่าให้ฟังวันนี้เขาเรียกว่าคนแก่พระเจ้าค้าพระองค์ก็สังเวชใจว่าท่านเออไอความเกิดเนี่ยมัน มันน่าเกลียดเบียดฉันเหลือเกินเนะนี่ยนะนาตำเหนียก็คือเป็นที่ตั้งแห่งความรังเกียจเกลียดชังเหลือเกินเพราะคนที่เกิดมาแล้วต้องปรากฏความชราหรือความแก่ก็ปรากฏนะไม่ดีเลยคือพอเห็นคนแก่นี่เครียดเลยนะก็คือที่จริงก็ถามว่าพอเห็นคนแก่ปั๊บเนี่ยนะเราต้องแก่อย่างนี้ใช่หมบอกไม่ใช่แต่อบอกก็ใช่ไม่ใช่แต่พระองค์เท่านั้นหละที่แก่ คนที่เกิดมาแล้วจำไม่แก่ไม่มีนั้นถ้าอยู่ไปเรื่อยๆมันก็เป็นอย่างงี้กันทั้งนั้นแหละแหมท่านก็แบบเพราะเกิดแท้ๆเลยนะท่านเห็นเลยว่าแก่เหล่าความแก่ทุรนทุรายเหล่านี้มาจากความเกิดไอ้ความเกิดนี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากท่านไม่เกลียดความแก่นะท่านเกลียดความเกิดนะแต่เป็นของเรานี่เกลียดคนแก่ใช่แต่ชอบเด็กเป็นต้นเนี่ยนะว่าโอ้เห็นคนแก่แล้วน่ารำคาญแล้วไปเห็นเด็กก็ชอบอีกแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าอย่างนี้ไม่แต่สําหรับพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยนะ ท่านเห็นคนแก่ปับ๊บท่านมองบ่จุดแห่งความแก่ก็มาจากความเกิดถ้ารังเกียจความแก่จริงก็ต้องรังเกียจความเกิดเพราะที่สุดแห่งความเกิดก็คือความแก่เสร็จแล้วก็เสด็จกลับจากที่นั้นละไม่เที่ยวต่อแล้วว่ามีแต่อะไรนะมาเห็นคนแก่ครั้งเดียวนี่ก็ทราบซึ่งตรึงจิตมากเลยพระราชาก็ถามว่าเพราะเหตุไรรูปของเราจึงกลับเอ๊ะไปเที่ยวแป๊บเดียวทําไมกลับลสารทีก็ทูลว่าก็เพราะว่าพระ อ, องค์เห็นคนแก่พระเจ้าค่า จากนั้นพระราชาเนี่ยวันในใจเลยนะวจิตใจไม่ปกติก่อนหน้านี้แค่ว่าฝันเนี่่เริ่มทําท่าจะสลายแล้วใช่ฝันว่ารูปจะต้องเป็นจกักรพรรดิแต่วันนี้เนี่ยบอกว่ารูปไปเห็นคนแก่มาแล้วเนี่ยฝันเนี่่เริ่มสลายก็ทํำยังไงดีก็วางกองรักษาการไว้ที่ประมาณเครื่องยนต์ภายใน8กิโลห้ามมีคนแก่เข้ามาในบริเวณนั้นเด็ดขาดวันรุ่งขึ้นพระโพธิสัตว์ก็เสด็จไปสู่พระราชุทยานใหม่ก็ไปเห็นคนเจ็บนอนโอดโอยกวนคราง จมกองอุจาระประสวะที่เทวดาเหล่านั้นนั่นแหละเนรมิตขึ้นก็ถามเหมือนในก่อนบอกว่าเนี้เราต้องแก่อย่างนี้ใช่ไหมบอกทั้งหมดแหละเกิดเข้าไต้องเจ็บอย่างนี้ใช่ไหมก็ทุกคนนั่นแหละที่เกิดมาในโลกก็ต้องเจ็บอย่างนี้ทั้งนั้นแหละหลงก็โห้ยความเกิดนี่มันเลวร้ายแท้ๆเลยเนี่ยเพราะเกิดแท้ๆเลยเนี่ยจึงมีความแก่และความเจ็บป่วยบอกเที่ยวไม่สนุกกลับนะฮะกลับสั่งรถกลับก็บมาขึ้นปราศาสตรนะ พระราชาก็ถามว่าจาแล้วก็รู้ว่าลูกเนี่ยเครียดมากเพราะไปเห็นคนแก่แล้วก็คนเจ็บมาเนี่ยก็เลยจัดนักฟ้อนดาคิดว่าลูกของเราเนี่ยนะลูกของเราเนี่ยอย่าให้แยกออกไปในการบวชก็เลยเพิ่มการอารักขาหมายว่าถ้าหนีบวชก็ต้องสั่งคุมเข้มห้ามเห็นคนที่หนักอันนี้อีกแล้วแล้วก็คุมเข้มอีกนะตั้งกององครักษ์ตั้งกองทหารเพิ่มมาห้ามลูกบวช เสรแล้วก็ตั้งกองรักษาการในที่ประมาณสามข่าวุฒิโดยรอบแม้วันรุ่งขึ้นพระโพธิสัตว์ก็ไปอุทยานอีกครั้งหนึ่งก็ไปเห็นคนตายอย่างที่เทวดานั้นเนรมิตยอย่างนั้นเหมือนกันก็ถามนี้เรียกอะไรเรียกว่าคนตายอ่าคนตายหรือแบบใช่เขาก็พลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักหมดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องจากสูญเสียจากวัตถุอันเป็นที่รักเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งพ่อกับลูกรักกันมากก็ต้องจากกันเอ้างั้นเราก็ต้องจากพระราชาอ่า พระเจ้าเราก็ต้องไม่เห็นพระราชาไม่เห็นบุตรไปเห็นภริยาไม่เห็นมิตรอมาตญาสาโลหิตทั้งหมดใช่ไหมบอกใช่เพราะว่าที่สุดของความเกิดก็คือความแก่และความตายเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะเป็นอย่างนี้จะต้องสูญเสียพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักทั้งหมดก็เลยเเดือวรอนเลยกลับเลยแค่ น, นี้พระโพธิสัตว์ก็กลับอีกพระราชายิ่งเข้มงวดเพิ่มกององครักครอีกมาได้ยังไงเนี่ยนะ เอ๊ะใครไปเอาคนตายมาให้พระโพธิสัตว์ดูได้ยังไงเนี่ยเสร็จแล้วก็วางที่ราคายอีกวันรุ่งขึ้นพระโพธิสัตว์ก็เสด็จไปสู่อุทยานเห็นนักบวชนุ่งอย่างดีห่มอย่างดีซึ่งปกติเนี่ยไม่น่าจะมาได้เลยนะนักบวชแต่ก็เทวดาเนรมิตขึ้นพปรง่งไปเห็นนักบวชเข้าก็ถามสารธีว่าผู้นั้นชื่อว่าอะไรสารธีก็ไม่รู้จักนักบวชหรือคุณธรรมของนักบวชเพราะอุบัติเพราะตอนนั้นจริงๆแล้วพระพุทธเจ้ายัางไม่เกิดถึงอย่างนั้นเขาก็ตอบด้วย อนุภาพของเทวดาว่าท่านผู้นี้เป็นนักบวชเสร็จแล้วก็พันพ น, นายกย่องชมเชยคุณของนักบวชว่าผู้ที่ประพฤติดีประพฤติธรรมสงบเนี่ยนะประพฤติอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่โลกประพฤติบุญญกิริยาประพฤติเป็นบุญเนี่ยสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแท้ยกย่องว่าการเป็นนักบวชเนี่ยดีอย่างไรพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วโอ้ดีก็เลยเกิดความชอบใจในการบวชเรียกว่าเห็นช่องทางละ เห็นช่องทางที่จะทําให้พ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายสาเหตุแห่งแก่เจ็บตายก็คือความเกิดเพรา ะ, ะนั้นก็เลยรู้แล้วว่าวิธีการที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องไปบวชและประพฤติ ธ, ธรรมพระโพธิสัตว์ก็เกิดการชอบใจในการบวชก็ไปอุทยานสำหรับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่มีอายุยืนถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ที่อายุยืนเป็นหมื่นปีหรือหลายหมื่นปีเนี่ยนะ ผ่านไปแล้วร้อยปีจึงจะเห็นบุพพานิมิตแต่ละอย่างเป็นร้อยปีบางองค์เนี่ยหลายพันปีนะจึงเห็นบุพพานิมิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะแต่สําหรับพระโพธิสัตว์นี่เห็นของเรานี่เห็นอะไร4เดือนนะเห็นครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ของเราอุบัติในมนุษย์ที่มีอายุน้อยประมาณ4เดือนจึงเสด็จไปอุทยานเห็นบุพพานิมิตแต่ละอย่างโดยลําดับสเดือนเห็นครั้งไม่ใช่เห็นทุกวันสนะี่เดือนอ อ, อ, อ, ออกสวนทีหนึ่งก็ไปเห็นเดือนแรกสี่เดือนแรก ก็ไปเห็นคนแก่สี่เดือนหลังมาก็ไปเห็นคนป่วยคนเจ็บเนี่ยนะสี่เดือนหลังไปเห็นคนตายถัดจากนั้นอีกสี่เดือนก็ไปเห็นนักบวชใช้เวลาปีงพอดีพระโพธิสัตว์ก็เล่นณนะอุทยานนั้นตลอดทั้งวันเนี่ยนะก็ไปอุทยานก็ทําอะไรเล่นน้ําดูดอกไม้ก็มีเท่านั้นน่ะนะแล้วก็ชื่นชมโอรสเอ่อขอภยัยอยู่ที่อุทยานเนี่ยนะชื่นชมรถพระอุทยานสงสนารณสะสมงคลสะบกกรณี ก็สวนทั้งหลายเนี่ยนะของอบ้านเมืองทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีอะไรสระน้ำาเช่นเวลุวันเนี่ยเราก็ไปเห็นที่สระน้ำนะสวนเวลุวันก็จะมีสระน้ำสวนของพระราชาเนี่ยน ะ, อ, ะอย่างที่ที่กบิลพัทวันที่เราไปเนี่ยก็ไปมันมีสวนที่ตรงที่ยากขึ้นเยอะๆตรงนั้นก็มีสระมงคลบกครรณีเหมือนกันพระโพธิสัตว์ก็ไปสงสนารที่มงคลบกครรีเมื่อพระอาทิตย์อัสดงคต พระองค์ก็ประทับนั่งเหนือพื้นแท่นมงคลศิลาพระองค์มีพระประสงค์จัดแต่งพระองค์อยากแต่งตัวมาครับว่าอาบน้ําเสร็จก็ขึ้นมาแต่งตัวครั้งนั้นวิศกรรมเท พ, พบุตรเท้าสากกะจอมโดยเทพทรงทราบหาด้ยไทยก็สั่งะนะคือเท้าสักก ร, รู้ว่าพระโพธิสัตว์ต้องการจะแต่งตัวซึ่งเป็นการแต่งตัวครั้งสุดท้ายก็เลยสั่งวิศกรรมหรือวิศกรรมเท พ, พบุตร นะวิศกรรมเทพพระบุตก็เป็นเหมือนกับช่างกลระบบสําหรับพระโพ ธ, ธิสัตว์เรียกว่ามาในรูปแบบของเรียกว่าพนักงานทรงเครื่องนะนะแต่งองค์ให้พระโพ ธ, ธิสัตว์คือปกติคนระดับนี้จะต้องมีแผนกแต่งตัวให้นะนะได้เวลาแต่งตัวก็มีคนมาคอยแต่งตัวให้เพราะฉะนั้นเทวดาองค์นี้ก็มาในรูปแบบของพนักงานแต่งตัวทั่วไปเสร็จแล้วก็มาประดับด้วยเครื่องอลังการอันเป็นทิพย์ ซึ่งจริงๆแล้วตอนที่ประดับเนี่ยจากผ้าที่กระทบผิวพันธุ์อะไรเป็นต้นพระโพธิสัตว์รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้ไม่ใช่มนุษย์บุคคลผู้นี้เป็นเทวดาและเข้าใจว่าสัมผัสแห่งผ้าที่มานุ่งเรานี่เป็นผ้าทิพย์